ไปก็เป็นบันทึกท้ายเล่มนะคะท่านจูเมโทพิกุพระฝรั่งลูกศิษย์หลงพ่อชาสุพัทโทเป็นเจ้าอาวาสวัดไทยในลอนดอนเคยเทศไว้ว่าขอให้คนไทยปฏิบัติธรรมให้สมกับที่มีศาสนาพุทธเป็นของดีที่สุดในเมืองไทยถ้าเราไม่สนใจกัน ก็น่าเสียดายมากเพราะที่เมืองฝรั่งไม่มีโอกาสอย่างนี้ท่านชาคารพิกุปพระฝรั่งลูกศิษย์หลวงพ่อชาอีกคนเป็นเจ้าอาวาสวัดไทยในอสอสเตรเลียเมื่อเทศให้คนไทยฟังแล้วผู้หญิงคนหนึ่งเอ่ยฝากลูกชายมาบวช15วันท่านไม่รับบอกว่าน้อยไป คนที่มาบวชต้องตั้งใจไว้อย่างน้อยห้าปีถ้าตั้งใจไว้หนึ่งปีก็ให้บวชเนนถ้าตั้งใจไว้น้อยกว่าหนึ่งปีก็ให้เป็นผ้าขาวนะนุ่งขาวอยู่ในวัดนี้บวชอะไม่ใช่เรื่องง่ายนะอัตมาถือพระวินยัยต้องปฏิบัติยากมากนะยอมตายไหมบวชแล้วเป็นลูกอัตมานะไม่ใช่ลุกโยมโยมมายุ่งไม่ได้นะฟังแล้วก็ชื่นใจ รู้สึกว่าการเข้าหาศาสนาเป็นเรื่องน่าเลื่อมใสเป็นการปฏิบัติที่มีจุดมุ่งหมายและแตกต่างจากชีวิตภายนอกและแม้คนที่ไม่ได้บวชก็ศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างเอาใจใส่เพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้องถ้าคนไทยเราตระหนักได้ในเรื่องนี้บ้านเมืองของเราจะสงบสุขเพียงไหนชีวิตของเราจะเช่มชื่นสักเพียงใดฉันขอเชิญชวน ให้ท่านผู้อ่านหันมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยกันหลังจากอ่านหนังสือเล่นนี้แล้วปัจจุบันมีหนังสือธรรมะมากหาได้ง่ายกว่าสมัยก่อนส่วนเทปของอาจารย์ทั้งหลายแม้จะไม่ใส่ปิ๊งเหมือนกับเทปเพลงต้องใช้ความตั้งใจฟังมากแต่ก็ได้ประโยชน์มาก การศึกษาธรรมะมีหลายแนวหลายสำนักการเข้าศึกษาก็ต้องเลือกให้ถูกทางด้วยมิฉะนั้นก็จะพาเราหลงไปวนอยู่ในวังวนของชีวิตอย่างเดิมไม่ได้ออกไปไหนการจะรู้ว่าถูกทางหรือไม่ก็ดูที่ตัวเรานี่เองถ้าฟังแล้วนำมาใช้ดับทุกข์ในใจของเราได้จริงก็นับว่าใช้ได้แต่ถ้ายังรู้สึกทุกข์อยู่อันนี้ก็ต้องพิจารณาแล้วนะคะ คนที่ศึกษาและปฏิบัติจะรู้สึกถึงร่มธรรมอันเย็นได้ในเวลาไม่นานนักชีวิตจะสงบลงจะได้พบคนดีความวุ่นวายจะค่อยๆหายไปมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตหลวงพ่อพุทธทาสท่านได้ให้หลักเอาไว้ว่าถ้ายังไม่สามารถช่วยตัวเองให้มีความสงบสุขอยู่ได้ ในถ้ำกลางกองเพลิงแล้วก็ยังไม่เรียกว่ามีศาสนาเพราะคำว่าศาสนาหมายถึงเครื่องป้องกันที่มีผลจริงๆที่จะให้อยู่ในถ้ำกลางสิ่งที่จะทำให้เกิดความทุกข์นี้ไ ด, ได้โดยไม่ต้องมีความทุกข์คือให้ความทุกข์นั้นมันเป็นหมันไปไม่มาแตะต้องเราได้อย่างนี้จึงจะเรียกว่ามีศาสนา สำหรับแนวทางที่ชั้นเลือกก็คงแสดงไวต้ตลอดเล่มนี้อยู่แล้วหากท่านผู้อ่านจะศึกษาเส้นทางนี้ก็จะติดตามได้ดังนี้งานของหลวงพ่อพุทธทาสและหลวงพ่อปัญญานันทพิกขุมีทั้งเทปและหนังสือที่วัดชลประทานลังสลิดปากเกร็ดนนทบุรีหนังสือชื่อศิลปะการดำเนินชีวิตของหลวงพ่อพุทธทาส เป็นหนังสือเริ่มต้นที่ดีมากงานของอาจารย์วศินอินทศ ร, ระท่านเขียนหนังสือไว้95เล่มแล้วหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปและร้านหนังสือของมุนทิมหามกุฏร า, ร, ราชวิทยาลัยโทรศัพท์022811085อยู่ติดกับธนาคารกสิกรไทยสาขาบางลำพูสำหรับท่านที่ต้องการฟังธรรม อาจารย์จะบรรยายความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ห้องประชุมตึกมหาวิทยาลัยมหามกุตราชวิทยาลัยวัดบวรนิเวศวิหารบางลำพูกรุงเทพทุกวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์ต้นเดือนเวลา 10.15 ถึง 12.30 น, นนอะคะอันนี้ฟังฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆเลยค่ะสำหรับในร้านขายหนังสือ หนังสือที่ฉันเลือกคือหนังสือของหลวงพ่อชาสุพัทโตหลวงปู่มั่นปุริทัตโตและหลวงปู่ดูลัตุโลส่วนงานบุญตามวัดต่างๆท่านสามารถไปร่วมกิจกรรมได้ดังนี้วัดลประทานลังสลิดปากเกตนนทบุรีนะคะมีกิจกรรมวนาทิตย์ตอนเช้า9โมงสวดมนต์9โมงครึ่งถึง10โมงครึ่งมีบรรยายประทกะถาธรรมนะคะหลังจากนั้นเราเจะถวายเพลนผสมกันที่ลานหินโคง้ง แล้วก็มีที่วัดพุทธปัญญานะคะอยู่ข้างกระทรวงสาธารณาสุ ข, ขอำเภอเมืองจังหวัดนนท บ, บุรีทุกวันเสาร์ทาวัดรสวดมนต์ประกาถกฐารรมใส่บาทถวายทานนะคะช่วง9ก้าโมงถึงเที่ยงถ้าเป็นที่วัดสุทัศน์เทพราลรามเสาชิงช้ากรุงเทพจะให้มีการสวดมนต์ภาคกลางคืนทุกคืนนะคะตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะคะถึงสามทุ่มเป็นบรรยากาศที่สงบมากค่ะ สวดมนต์กันในโบทใหญ่อะนะคะต่อหน้าพระสีสากยะมุนีองค์พระประธานองค์ใหญ่สีทองงดงามมากค่ะให้ความรู้สึกอบอุ่นและก็เป็นที่พึ่งทางใจอย่างดีรถแห่งธรรมย่อมชนะรถทั้งปวงความยินดีในธรรมทั้งปวงย่อมชนะความยินดีทั้งปวง ความสิ้นตันหาย่อมชนะทุกข์ทั้งปวงก็จบบทนี้นะคะภาพกระตุนก็เป็นรูปเด็กหญิงขวัญกำลังนั่งกระดิกเท้าสบายใจอยู่บนเก้าอี้สูงตัวหนึ่งต่อไปก็เป็นหน้าสุดท้ายนะคะ สุดท้ายของหนังสือเล่มนี้ก็มีคำของหลวงปู่โดนอัตุโลอยู่นะคะกล่าวว่าในทางโลกมีสิ่งที่มีในทางธรรมมีสิ่งที่ไม่มีกระตูนก็เป็นเด็กหญิงขวัญกำลังบกธงอำลานะคะก็จบหนังสือธรรมะรอบกองไฟลงพินเท่านี้นะคะ หวังว่าท่านผู้ห่านคงจะได้รับความเพลิดเพลินและความรู้ทางด้านพุทธธรรมของเราและได้ปฏิบัติได้ก็ดีนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ